ต้องฝึกพ้นอบรมตนไปเอยเพราะเรามีโอกาสเต็มที่อันเป็นนักบวชนี่ความกังวลในเนื่องการทำมาหาเรี่ยงขีบก่ไม่มีและความกังวลในการงานอันหนักหนาะอะไรก็ไม่มีนี่นับว่าเป็นโอกาสอันดี สำหรับผู้ที่มองเห็นทุกข์เห็นภายในสงสารและเช่นนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ประกอบความเพียรฝึกจิตใจอันนี้ให้มันสงบประ ง, งับให้มันมีปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อจะได้ถอนตนออกจากทุกข์ภายในสงสารนี้ให้ผู้ที่ ถูกอวิชชาตันหามันครอบงำอย่างมากมายเนะีมันนึกไม่ได้มันนึกถึงชีวิตของตัวเองไม่ได้เลยว่าตนตกอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์อย่างไรบ้างแล้วตนจะถอนตอนออกจา ก, กทุกข์ได้โดยวิธีใดอย่างนี้มันคิดไม่ได้เลยคนส่วนมากไเป็นอย่างนั้นมีนักบวช นอกกุฏิศา ส, สนาไปทูลถามปัญหาพระองค์ว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกวะท่านพระองค์เจ้าก็ทรงตรัสว่าทุกแลเป็นภัยใหญ่ของโลกอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกให้มัวหมองเวตัหาแลเป็นเครื่องฉาบทาโลกอันนี้ให้มัวหมองไปพระองค์เจ้าตรัสอย่างนั้นเนี่ย ก็นับว่าเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรน้องเข้าไปคิดไปตรองให้รู้ให้เห็นตามที่พระ อ, องค์เจ้าทรงแสดงอันชีวิตของมนุษย์เราจะวุ่นวายจะดิน้นรนกระเสือกกระสนไปต่างานานามันนี่ก็เพราะทุกนั่นแหละมันครอบงำกายครอบงำจิต จึงได้ดิ้นรนกระเสือกกระสนไปก็เพื่อหิวอาหารไม่รับประทานอ่ะมันก็ดิ้นรนแล้วอย่างงี้นะหิวน้าน้ำไม่มีรับดื่มก็เดือดร้อนแล้วอย่างนี้แหละไม่มีเงินจะใช้ จ, ใจ่ายจะไปขอใครก็ไม่ได้ก็เดือดร้อนต้องดินน้นรนมี อสังหาเรมามซับอะไรก็เอาไปมัดจำเอาเงินเขามาใช้มาจ่ายและที่สุดหาใช้เขาไม่ได้ส่งดอกเขาไม่ได้ส่งต้นเขาไม่ได้เขาก็พ้องยึดซับเอาเสียเลยหมดเนื้อหมดตัวที่หน้าที่สวนพ่อแม่แบ่งปันไว้ให้หก็ไปขายกินหมดก็เพราะความทุกข์นั่นแหละ เรื่องมันนะเนื่องจากว่ามนุษย์เรานะันเนี่ยมันมีอดีตอนาคตมีปัจจุบันนะอดีตมันส่งผลมาสู่ปัจจุบันนี้อย่างนี้นะแต่มนุษย์เรานะั้นไม่ได้คิดได้ก้องส่วนมากนะนึกว่าเข้าใจว่าตนเพิ่งเกิดขึ้นมาในชาติเดียวเท่านี้ ไม่ได้ลำพึงถึงเรื่องอดีตเพราะรู้ไม่ได้ไม่ทราบวัตกรเป็นมายังไงอก็เลยไม่คำนึงเสียเลยบางคนก็แทบไม่เชื่อเลยว่าชาติก่อนมีเข้าใจว่าเพิ่งมาเกิดเอาชาตินี้เท่านั้นนั่นแหละเดี๋ย ว, วความเข้าใจผิดทันเดียวกว่าอาวิชชาก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เชื่อ พระปัญญาตัดสรุของพระพุทธเจ้าด้วย น, นี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ที่ลงทรงเล่งยานสองสัตว์โลกในตอนเที่ยงคืนนะตอนที่พระองค์เจ้าตัดสรุในยานที่สองจุปปปาตะยานยานรู้จักความเกิดความ ตายของสัตว์ทางหลายรู้จักความสุขความทุกข์ของสัตว์ทางหลายอันนี้พระองค์ตรัสรู้ญาณประเภทนี้พระองค์รู้ความเป็นมาของสัตว์โลกทางหลายแต่ในอดีตสัตว์โลกทางหลายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในปัจจุบันนี้ก็เพราะอาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่เขาทำมาำเอาทำออกมาแต่ชาติก่อน มาอำนวยผลให้อย่างนี้นะนี่แหละถ้าผูใ้ใดมันนึกคิดเชื่อเพระปัญญาตัตรูของพระเจ้าอย่างนี้ก็จะพยายามมาพิจารณาตนเองในปัจจุบันนี้แลบวะนีะ้เช่นอย่างว่าปัจจุบันนี้ตนยากจนขนแค่นไม่มีสมบัติอันใดพอที่จะเลี้ยงชีพให้สะดวกสบายได้ ก็เพราะแต่ชาติก่อนตนคงทาบุญกุศลมาน้อยอย่างนี้นะแล้วตนมีอวัยะร่างกายไม่ครบถ้วนหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงทำการงานอะไรก็ไม่ค่อยได้โมนี้ก็โทษที่ไม่ได้ให้ทานเข้าน้ำมาโทษที่ร เ, เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เจ็บให้ปวดให้เป็นทุกข์เดือดร้อน เมื่อรู้อย่างนี้ได้ก็อธิษฐานใจว่าเอาละต่อนี้ไปเราจะไม่เบียดเบียนใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องการความทุกข์อย่างนี้ต่อไปแล้วเราก็เสวงหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตจะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาเลี้ยงชีพเลยเราเสวงหาทรัพย์สมบัติได้เท่าไหร่ เราก็จะแบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างเพื่อความสุขในชาติหน้าต่อไปถ้าหากว่าเราถือว่าเราจนในชาตินี้แล้วเราไม่ทำเสียเลยถือว่าจนแล้วไม่มีอะไรจะทำบุญให้ทานอย่างนี้ก็เลยทอดทุระเสียเลยอย่างนี้ไอ้ชีวิตของคนนั้นมันก็ตกต่ำไปเรื่อยๆอ เมื่อตายจากโรคนี้ไปสู่โลกหน้าก็ไม่มีทางแล้วที่จะได้เกิดมาเป็นคนอีกเพราะเหตุว่าบุญไม่มีจะต้องไปเกิดเป็นอื่นเห็นเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานไปยังนี่ยังดีนะได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะถ้าไปเกิดเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกเข้าจะยิ่ง ท, ทุกข์ทรมานมากพุทธบริษัททั้งหลายควรจะไปคิดถึงตัวเองอย่างนี้ให้มากๆ เพราะเหตุว่ามันมีเครื่องเปรียบเครื่องเทียบอยู่ไอ้ที่จะเป็นเหตุให้เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมก็คนเกิดมาในโลกนี้ทําไมจึงเป็นอยู่ไม่เหมือนกันนั่นแหละถ้าหากว่าไม่ต้องอาศัยคำดีกรคำชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนตามมาตกแต่งให้อย่างนี้นะมันก็คงคันว่าดีก็ ด, กดีเหมือนกันหมดชั่วกว็ชั่วเหมือนกันหมดแล้วสิ ถ้าเป็นสุขก็เป็นสุขเหมือนกันหมดแหละถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เหมือนกันหมดสินีน่อันที่มันเหลื่อมล้ำต่ำสูงกว่ากันอย่างนี้เนี่ยลองคิดดูอ่ะมันเป็นด้วยเหตุอะไรอย่างนนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึางได้ทรงตรัสว่าเป็นด้วยการกระทำเพราะการกระทำของคนเรามันไม่เหมือนกันเราก็รู้กันอยู่ในโลกนี้ ผู้มีกิเลสตัณหามานะ้าทิฐิมากมันก็มักจะไปทําความชั่วอาศัยตัวมากกลัวทําทความดีผู้รอดละทิฐิมาณนะลงได้มาเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างนี้มันก็ทําดีไปเรื่อยแหละไ อ, ะอะ้เรื่องใดที่ชั่วแล้วมันก็ต้องเพียรละเว้นไม่ทํามันต่อไป นี่ผู้ที่ลดละทิฐิมานะลงก็ยอมเคารพนมน้อมต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์โดยเฉพาะก็เคารพต่อพระธรรมคําสอนนั่นแหะเมื่อได้เคารพต่อพระธรรมแล้วปฏิบัติตามพระธรรมไม่ล่วงเกินที่พระองค์เจ้าทรงห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ควรเว้นไม่ควรทําก็เว้นตามอย่างนี้นะ สิ่งนี้ควรทําควรบาเพ็ญที่เกิดให้มีก็พยายามทําตามโดยความไม่ประมาทอย่างนี้นั่นแหละชื่อว่าเคารพในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ า, มาเมื่อเคารพในพระธรรมอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเน่ะให้พึ่งพากันพิจารณา ให้รู้ให้เข้าใจความหมายแห่งธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้ามันมีเรื่องเปรียบเทียบกันอยู่มีเหตุมีผลที่จะให้คนเราวินิจฉัยได้เลยว่าไอคนเราทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีมีความสุขทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วคือมีความทุกข์เป็นผล ไอ้อย่างนี้นะมันเมื่อเราคิดเราวิจารณ์เหตุผลต่างๆดูแล้วนะ่ะมันเป็นเหตุให้เราเชื่อมั่นจริงๆไอ้คนไม่เชื่อต่อบุญต่อบาปอย่างที่ว่ามานี่แหละเหตุที่มันทำบาปเหตุที่ทำบุญกุศลไม่ได้เหตุที่ไม่สนใจฝึกฝนอบรมตนก็เพราะไม่เชื่อก็เพราะไม่เชื่อต่อคำสอนของพระ เ, เจ้า เช่นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิริเยณทุกขามัจเจติอย่างนี้นะผู้จะพ้นจากทุกได้ก็เพราะความเพียร น, นี่ถ้าได้ยินได้ฟังนี้แล้วผู้ใดน้อมเข้าไปคิดไปตรองในพุทธภาสิทนี้เนะี่ยก็จะรู้ก็จะเห็นได้ว่าอันความทุกข์นั้นมันเกิดมาจากเหตุ ถ้าไม่ละเหตุมันเสร็จเมื่อใดความทุกข์มันก็ไม่ดับไปจากกิจใจนี่เช่นนี้เหตุมันมายัางไงอ่ะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตัณหาแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้นะเมื่อบุคคลสาวหาต้นเหตุของทุกข์พบ อ, อย่างนี้แล้วก็จะได้เพียรละตัณหานั้นให้เบาบางออกไปจากกิจใจเรือ่อยไป โดยเฉพาะตัณหาที่มันให้อยากทำกรรมมันชั่วใส่ตัวเองนี่แหละตัณหาประเภทนี้นะควรสนใจให้มากพุทธศาสนิกชนเรื่องหลายนะตัณหาที่อยากจกไปพให้ไปฆ่าสัตว์ให้รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดดื่มสุราเมรยัยกัญชายาผินเฮโร อ, อีนอตัณหาห้าประการนี้นะ ควรละก่อนอื่นทั้งหมดเลยตัญหาประเภทเหล่านี้แหละมัน่วงเหนี่ยวชีวิตของคนเราให้จมอยู่ในทุกข์ในโลกสงสารอันนี้พ้นจากนรกมาแล้วมาเกิดเป็นเปรตเอามาทนทุกข์ทร ม, มานจากเป็นเปรตอยู่นั้นกับพลางพ้นจากเปรตมาแล้วก็มาเป็นอสุรกายอสุรกายนี่ ในตำราก็ไมอ่อธิบายไว้ละเอียดัะออก็กหมายความว่าอสุรกายหนึง่งคือพวกสัตว์ที่มันได้รับทุกข์ทนทรมานนั่นแหละเพคะแต่มันอ่อนลงมากกลัวเปรตนั้นอืความทุกขนะ์เ น, น่ยแบบนี้จากอสุรกายมาเป็นสัตติเรฉานไอความทุกข์ก็เบาลงเอ ม, มาเป็นสัตติเรฉานนี่นะนี่แหละไอโทษของ บุคคลผู้ที่ไม่เห็นโทษแห่งตัณหาไม่ละตัณหาแล้วมันก็ทำให้เกิดทุกข์ทนทรมานอยู่นี่พระพุทธเจ้าเนอะทรงแสดงเรื่องนีนะ้ไม่มีใครแสดงได้ดอกไม่รู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาอันยอดเยี่ยมทรงมองเห็นความทุกข์ของสันโลกทั้งหลายมันมาจากตัณหาตัวเดียวนี่แหละกับอวิชชา และทีนี้เมื่อมันมีอวิชากับตัณหานี่เป็นคู่กันมาแล้วมันก็เกิดกิเลสพันห้าตอนหาร0อยแปดเกิดเป็นลูกเป็นหลานของอวิชชาตัณหาออกมาหลายประเภทเลยกิเลสของมนุษย์เรานี่น่ะงันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระ ศ, ศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั่นทำความเพียร ทีนีการทําความเพียร น, นั้นมีอยู่องค์สี่หนึ่งเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานสองเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปสามเพียรบําเพ็ญกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนสี่เพียรรักษากุศลที่ตนได้ทําให้เกิดมีขึ้นในจิตใจนั้นไว้ให้ได้อย่าให้เสื่อม พระองค์เจ้าตรัสว่าความเพียรสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบควรประกอบว่าให้มีในตนนี่ก็บรรดาบาปทั้งหลายนะ่ะมันไม่ใช่ว่ามันมันมาเองมันมาสวมเอาจิตใจไม่ใช่ไอจิตใจนี่สร้างขึ้นต่างหากที่พระองค์ทรงสอนความเพียรในข้อที่หนึ่งนั่นนะ่ะ เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานนี่ก็เรียกว่าเพียรรักษาจิตนี้ไว้ด้วยสติสัมปชัญญะจิตคือความรู้สึกไม่มีรูปร่างสันฐานวัณณะอะไรทั้งนั้นเลยเป็นแต่วความรู้สึกอยู่ภายในท่ามกลางอกนี่หายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่นี่นะเราน้อมสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอันนี้ ประคองความรู้สึกอันนี้ไว้เสมอเมื่อมันมันมีเหตุกระทบกระเทมันจะเป็นเนตได้คิดไปในทางบาปอากุศลแล้วก็ห้ามจิตไว้เมื่อมันคิดไปเช่นอย่างว่าใครมาด่าว่าตีเตียนเข้าไปอย่างนี้นะตามธรรมดานี่มันก็โกรธหละคนเรานะ่ะแต่ถ้าผู้ที่เห็นภยในบาปในโทษทั้งหลายแล้ว ความโกรธก็ชื่อว่าเป็นอกุศลมูลเป็นมูลให้ทําบาปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ห้ามจิตไว้ไม่ให้มันโกรธอา้าวเขาจะด่าก็ยอมให้ด่าไปสะเมื่อเราไม่ยึดถือเอาคําด่าของเขาแล้วมันก็ไม่เจ็บไม่แสบอะไรเมื่อเราไม่ยึดถือเอาแล้วเสียงที่เขาด่ามามันก็ดับไปดับไปเท่านั้นเองเช่นนี้แล้วมันก็ไม่โกรธเมื่อไม่โกรธมันก็ไม่ได้ด่าตอบกัน ไม่ได้สร้างบาปอากุศลขึ้นในใจอย่างนี้นะนี่เระเรียกว่าเพียนระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานความโวบก็เหมือนกันนะระวังเมื่อมันคิดเห็นของสมบัติของผู้อื่นมีมากมายกายของคิดอยากได้ขึ้นมาเอ็นุก็รีบห้ามจิตทันที เอ้ยอันนั้มันสมบัติของผู้อื่นมันเกิดด้วยบุญวาสนาของเขา เ, เราอย่าไปคิดแย่งชิงเอาของเขาเลยถ้าไปคิดแย่งชิงเอาของเขาอย่างนั้นมันก็เป็นบาปเป็นโทษเดี๋ยว่าไปเบียดเบียนไปทําขอให้เป็นทุกข์เพราะเขาไม่ได้พอใจให้เราแต่เราไปแย่งไปชิงไปใช้อํานาจบาดใหญ่เอ า, อางี้นะ เ ม, มเมื่อมีสติเตือนตนได้อย่างนี้จิตมันก็หยุดอยากได้ที่มันคิดเพ่งเลงไปอยากได้สมบัติผู้อื่นนั้นมันก็หยุดลงเพราะมันรู้ความจริงนี่เออจริงถ้าไปวางแผนเบียดเบียนช่อโกงจี้ปร้นเอาสมบัติผู้อื่นเมาเปนน็นกุนลนี่มันจะต้องได้ประสบกับบาปทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าแน่นอนนะถ้าเจ้าทรัพย์เขารู้ว่าใคร เป็นผู้มาแย่งสิ่งของเขางี่เขาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ตามจับเอาพร้อมด้วยของกลงังได้มาฟ้องร้องต่อศาลศาลพิจารณาเห็นว่าผิดจริงก็ตัดสินติดคุกติดตารางนี่ความโลภมันเป็นมูลเหตุที่คนเราได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกในตารางก็มันเป็นอย่างนี้แหละ วันนี้ไม่ใช่ว่ามันพ้นไปนะติดคุกในชาตินี้แล้วนึกว่ามันจะพ้นตายไปชาติหน้ากรรมชั่วนี่มันจะไม่ตามไปสนองอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นมันยังไม่หมื่ออันนี้โทษ เ, เกิดเกิดจากกฎหมายบ้านเมืองต่างหากส่วนบาปกรรมที่บุคคลทำนั่นนะ่ะมันติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกคนไปติดคุกมันก็ตามไปในคุกนั่นแหละ พ้นจากคุกมาแล้วมันก็ติดตามมาเมื่อละโลกนี้ไปแล้วมันก็ติดตามไปอำนวยผลให้เป็นทุกข์ในชาติต่อไปนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าให้มีสติสํารวมจิตว่ายอย่าให้มันเกิดความโลภเล่งเพ่งเลงไปในสมบัติของผู้อือน่นนอกจากเพ่งเลงในสมบัติของผู้อือน่นล้วก็จะให้มันเพ่งเลงไปในทางกรมตัณหาเช่นอย่างว่า ก็ไปเพ่งเลงรักใครในผัวคนอื่นในเมียคนอื่นอย่างนี้นะอันนี้มันก็เป็นความโลคอันหนึ่งเขาเรียกว่าความโลคในกามเมื่อครับก็ไปผูกพันกับเมียคนอื่นผัวคนอื่นเข้าไปในทางประเวณีเข้าไปอย่างนี้มันก็เกิดบาปเกิดโทษในปัจจุบันนี่เมื่อฝ่ายหนึ่งรู้เข้าอย่างนี้เอาแล้วก็ผูกเวรกันแล้ว หรือว่าทะเลาะวิวากันแล้วในระหว่างผัวด้เมียอย่างนี้ดีไม่ดีก็เลยอย่าร้างกันไปลูกเต้าก็เป็นทุกข์เดือดร้อนพ่อแม่แยกทางกันเดินใครก็ไม่เหลียวแลปล่อยให้ลูกหากินเอาโดยตามลำพังอันนี้มีอยู่เนี่ยในโลกเนี่ยมีอยู่ทุกยุกทุ ก, ทกสมัยเลยนี่แหละโทษของความโลภในกามทั้งหลาย มันย่อมเป็นทุกข์ทนทรมานทั้งตัวเองและคนอื่นวันนี้กรรมชั่วเหล่านี้แหละก็ย่อมติดตามไปเมื่อละโลกนี้ไปแล้วกรรมชั่วนี้มันก็ถุดค่าเอาดวงจิตเนี่ยไปสู่นรกอบายภูมิอย่างที่ว่านั่นนี่นี่นะผู้ดใดสำรวมจิตของตนได้ไม่ความโรคครอบงำไม่ความโกรธครอบงำไม่ความหลงครอบงำอย่างนี้ลวก็ มันก็ไม่ได้ทำบาปบาปก็ไม่ได้เกิดขึ้นในจิตสันดานอ่าเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าหากว่าไปพลั้งเผลอไปสร้างบาปให้เกิดขึ้นในจิตสันดานแล้วก็อย่าไปยึดถือเอาบาปนั้นไว้ก็องสอนเนละให้เพียรละบาปนั้นให้มันหมดไปจา ก, ก จ, จิตใจคือเพียรละความโลภอย่าให้จิตมันเพ่งเล็งไปภายนอกอยากจะได้สมบัติปืนเพ่งพวกตน้น สำรวมจิตภาวนาพุทธโธไว้ภายในอย่างนี้เมื่อใจมันไม่วิตกไปในทางบาปอากุศลเช่นนั้นแล้วก็อธิษฐานใจละไอบาปกรรมมาในที่ได้รุมหลงกระทำมาแล้วก็เป็นความประมาทความสะเพร่าเพราะฉะนั้นจะของดเว้นเลยตั้งแต่นี้ไปจะไม่ทำอีกแล้วอธิษฐานใจละเว้นอย่างนี้เสีย เช่นนี้อธิษฐานละบ่อยๆเข้าไปบาปที่ลุ่มหลงทา ม, มานั้นมันก็หมดไปหมดไปเพราะใจไม่ยึดถือเอามันนี่ฮะนี่แหละเรียกว่าเพียนละบาปเพียนอธิษฐานละในใจแล้วไม่ทำบาปใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีกอันนี้มีทางที่บาปเก่านั้นจะหมดไปได้ขอให้เข้าใจถ้าหากว่าบาปนี่ เป็นสิ่งที่ละไม่ได้แล้วใส้ภาษ า, ษาสดาก็ไม่สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายภาคเพียรพยายามละบาปออกไปเมื่อละบาปออกไปแล้วก็เพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าใส่ไว้ในจิตใจนี่อย่าปล่อยให้ใจว่างอยู่เฉยๆถ้าหากว่าปล่อยให้ใจว่างอยู่เฉยๆแล้วสักหน่วยบาปมันก็จะแทรกแทง เข้ามาอยู่ในจิตใจอีกเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนอย่างที่พืช ต, ต่างๆที่เกิดอยู่ในพื้นดินนี่นะถ้าหากว่าไม่มีต้นไม้ที่มีผลปลูกลงไปแล้วมันก็มีพืชหญ้าหญ้าคาหญ้าอะไรต่ออะไรสารพัดเต็มไปหมดเลยอะ่ะเนี่ยถ้าบุคคลต้องการทําสวนตรงนี้อย่นี้ก็ต้องไดายหญ้านั้นออกจนหมด เมื่อเดินได้ยญาออกไปหมดไถพรวนดินให้เรียบร้อยแล้วถ้าปลูกต้นไม้ที่มีผลลงไปมันก็งอกงามเจริญขึ้นได้เต็มที่ทั้งใส่ปุ๋ยรดน้ำอีกด้วยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราเมื่อทำละบาปออกจากกายวาจาใจแล้วนี่ก็ขยันบาเพ็ญบุญกุศลคือสํารวมจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณ บุญกุศลอะไดที่ตนทํามาแต่ก่อนตนก็รวบรวมเอาไว้ในใจนี่ให้หมดคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตนเคารพเคารถือบูชามาอย่างนี้เราก็รวมพระคุณทั้งหลายเข้ามาสู่ใจนี่ไว้ในปนัววาจาปจุบันนี้ต่อไปเราก็น้อมเอาความดีที่ทํานี่เข้ามาสู่ใจ นี่เรียว่าให้ใจของเรานีะ่มีแต่บุญแต่คุณตั้งมั่นอยู่ให้ทำความยินดีในบุญในคุณนี้ให้มากไว้าอี น, นี้ให้เกลียดต่อ บ, บาปอากุศลต่างๆอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นผู้พยายามสั่งสมบุญกุศลแทนบาปแล้ววันนี้ให้ใครเจริญงอกงามขึ้นไว้เมื่อเราบาเพ็ญบุญกุศลในเกิดขึ้นอย่างนี้ได้แล้วก็เพียรรักษาบุญกุศลอันนี้ ว่าจะให้มันเสื่อมอย่างนี้แหละก็เพียรรักษาจิตไม่ให้มันโลภมันโกรธมันหลงนั่นแหละได้ชื่อว่ารักษาบุญกุศลไว้ถ้าหากว่าปล่อยความโลภโกรธหลงครอบงำจิตใจแล้ววันนี้บุญกุศลที่ทํามานั้นมันก็เสื่อมไปตั้งอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอุปมามันอย่างพืชต่างๆที่เราปลูกลงในดินแล้วเท่า น, นี้ไปปล่อยให้ หญ้าขึ้นท่วมอย่างนี้นะ่อยให้หญ้าขึ้นท่วมอย่างนี้เพื่อต่างๆเหล่านะั้นมันยงังตั้งต้นไม่ได้มันก็เฉาไปมันก็สูบซีดไปไม่พีดอกออกผลให้เจ้าของได้บริโภคต่อไปนี่ก็ก็ฉันนั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าไปสร้างความโลภความโกรธความหลงให้เกิดขึ้นในใจแล้วเช่นนี้ บุญกุศล น, น่มันก็เสื่อมไปเท่านั้นมันตั้งอยู่ไม่ได้ดังนั้นน่ถ้ายังสอนให้ภาวนาสอนให้ภาวนาเพ่งจิตใจอันนี้ให้ถึงความสงบระ ง, งับจักกิเลสต่างๆความรักความชังความหลงความเมาความเกียดคล้านเฉยชาต่างๆงนี่ความสงสัยลังเลไมุอยาให้มันมีอยู่ใน จ, ใจิตใจ อย่างนี้เรากําหนดละมันออกไปเพ่งละหมายความว่าอย่างนั้นเลยหายใจเข้าเราก็รู้รู้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเรากําหนดลมหายใจคล่องแควแล้วก็เอาหายใจเข้าเราก็ละความโลภโกรธหลงหายใจออกก็ละความโลภโกรธหลงอันนี้อธิษฐานใจกําหนดใจละอยู่นั้นนะก็อย่างนี้แหละ จึงเรียกว่าเราเพียรพยายามระมัดระวังไม่ให้ความโลภ ก, กดหลงครอบงำจิตใจแล้วบุญกุศลที่เราทำมานั้นคุณพระรัตนกลัก็จะตั้งมั่นอยู่ในจิตใจเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจะเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาความรู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้